ก่อนเข้าพรรษาในปีถัดมาสมภารวัดป่ามะม่วงก็ถูกฟ้าผ่าอีกครั้งกรรมที่เคยสาบานไว้กับโยมยายยังผลให้ไม่หมดนั่นเองฟ้าผ่าคราวนี้ทำให้ท่านหูหนวกไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็หาได้ยินไม่ญาติโยมตกลงกันว่าจะนำท่านไปรักษายังโรงพยาบาลในบางกอก เพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเมื่อทุกคนตกลงตามนี้แล้วจึงกราบเรียนให้ท่านทราบโดยเขียนเป็นตัวหนังสือถวายให้ท่านอ่านอาตมาไม่ไปหอกโยมเรื่องของเวรกรรมไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้จริงอยู่โรคบางอย่าง หมอเขาสามารถรักษาให้หายได้แต่โรคที่อาตมาเป็นเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมคือเกิดจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อไม่มีมดหมอที่ไหนจะรักษาให้ได้ต้องรอให้มันหายเองไม่เป็นไรหรอกอีกหกเดือนก็หาย ท่านอธิบายให้ญาติโยมฟังก็ยังดีที่ท่านยังพูดจาได้ตามปกติเพียงแต่ประสาทหูรับเสียงไม่ได้เท่านั้นในช่วงที่หูใช้การไม่ได้ท่านยังคงออกบินทบาทตามปกติโดยสามารถเน้นจ่อยทำหน้าที่พายเรือให้เช่นเคยเมื่อญาติโยมที่มาใส่บาตรพูดจาทัากทายท่านก็เพียงแต่ยิ้มยิ้ม และหากจำเป็นต้องตอบเนนจ่อยก็ทำหน้าที่แทนเดือนต่อมาท่านลื่นล้มในห้องน้ำสติเตือนว่าให้ยกศีรษะไว้หากก็ไม่ทันระวังแขนผลก็คือแขนข้างขวาหักและท่านก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลอีกไม่เป็นไรเดียวค่าทำน้ำมันมนนวดเดือนเดียวก็หาย ท่านบอกเนนหลานชายเป็นอันว่าเนนจอยต้องออกบินธบาตแต่เพียงผู้เดียวแรกๆก็ได้เข้าปลาอาหารพอแบ่งปันหลวงนาะครั้นนานเข้าก็ตกที่นั่งลำบากเพราะญาติโยมคงพากันคิดว่าทำบุญกับเนนนั้นได้อานิสง์น้อยกว่าทำกับพระจึงไม่ค่อยใส่บาตรกันด้วยเหตุนี้ทั้งพระนาชาย และเนนหลานชายจึงสู้ผอมจนผิดรูปผิดร่างกระนั้นก็ไม่เคยปริปากบ่นให้ผู้ใดรู้สมัยที่ท่านยังแขนขาดีเมื่อบินธบาตมาได้มากก็แบ่งปันให้พระลูกวัดได้ฉันกันอย่างอิ่มท้องครั้นพอท่านตกอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลับไม่มีพระเนนรูปใดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ บุคคลเดียวที่ท่านรู้สึกซาบซึ้งน้ําใจและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณก็คือโยมโถแม้ฐานะจะยากจนแต่แกก็นําพัตฐารมาถวายตามมีตามเกิดบางวันเป็นข้าวหนึ่งขันแกงหนึ่งถ้วยบางวันเป็นน้ําพริกผักต้มและบางวันก็มีเพียงข้าวเปล่าซึ่งเนนจ่อยก็จะนําน้ําปลาใส่ถ้วยมาให้ท่านคลุกข้าวฉันสมผานวัดป่ามะม่วง ท่านรู้ตระหนักถึงภาวะที่เรียกกันว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกในยามนี้นี่เองอย่างไรก็ตามการสอนวิปัสสนากรรมฐานยังคงดำเนินต่อไปตามปกติสมภารท่านเป็นแบบอย่างของนักสู้ผู้อดทนอดกลั้นไม่ว่าทุกกายจะมารุมเร้าสักเพียงใดก็มีอาจส่งผลกระทบไปยังใจได้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 ในกรณีที่สภาวะรมผิดแผกแตกต่างไปจากผู้อื่นจริงๆบุคคลนั้นก็ใช้วิธีเขียนให้ท่านอ่านแล้วท่านก็จะแนะนำแก้ไขด้วยวาจาจึงกล่าวได้ว่าอาการอาพาธเจ็บป่วยมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมณ ก, กิจของท่านแต่อย่างใดหกเดือนผ่านไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง ก็หายจากโรคหูหนวกท่านสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้เช่นปกตินางโถดีใจจนน้ำหูน้ำตาไหลวันนี้นางทําแกงเลียงมาถวายเพลท่านและมีลอดช่องน้ํากะทิเป็นของหวานของสองอย่างนี้นางปรุงมาสุดฝีมือเพื่อฉลองในโอกาสที่สมภารหายอาพาธจากโรคหูหนวกท่านสมภารเป็นยังไงบ้างจ๊ะ ชงที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะจ๊ะนางโถเริ่มสัมภาษณ์โลกมันเงียบเชียบเชียวลยโยมเอ้ยแต่ก็ดีไปอย่างที่อาตมาไม่ต้องกำหนดเสียงหนอเหมือนแต่ก่อนเพราะไม่ได้ยินแล้อย่างไหนดีกว่ากันละจะ๊ะโลกเงียบกับโลกมีเสียงนะ่ะ สตรีวัยเดียวกับโยมมารดาของท่านยังคงอยากรู้อย่างไหนดีนะรึเอถ้าโยมเป็นอาตมาโยมคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากันละ่ะท่านย้อนถามอีฉันคิดว่าไม่ได้ยินดีกว่าจ้ะเพราะเมื่อเราไม่ต้องกำหนดเสียงหนอกิเลธทางหู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 ไม่ใช่เพราะกิเลสไม่มีเหมือนกับว่าเสียงไม่มีเพราะเราหูหนวกแต่ความจริงอยู่ที่ว่าแม้หูได้ยินเสียงตาเห็นรูปแต่เราสามารถรู้เท่าทันเอาสติไปกำหนดมันได้ทันพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแม้จะอยู่ท่ามกลางกิเลสแต่ก็ไม่ถูกกิเลสชัก จูงไปเปรียบเหมือนหยดน้ำบนใบบัวหรือเมล็ดงาบนปลายหอกฉะนั้นท่านอธิบายอีฉันพอเข้าใจแล้วจ้ะหยดน้ำบนใบบัวย่อมไม่ทำให้ใบบัวเปียกเมล็ดงาบนปลายหอกย่อมไม่ติดอยู่ได้เปรียบเสมือนผู้หมดกิเลส สามารถอยู่ทํากลางกิเลสได้โดยไม่ถูกมันครอบงำอย่างนั้นใช่หรือเปล่าจะ๊ะโยมเข้าใจถูกต้องแล้วจะ้ะอ๋อโยมแต้มมาพอดีเป็นอย่างไรบ้างโยมปฏิบัติก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วท่านทักน่งแต้มไม่ก้าวหน้าเลยจะ้ะท่านสมพาน ยิ่งปฏิบัติดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงแย่ลงไม่รู้เพราะอะไรนางแต้มตอบหลังจากที่กราบเป็นจางข้าประดิตสามครั้งแล้วโยมไม่ได้คิดไปเองนะเอาละ่ะอาตมาจะลองสอบอารมณ์ให้โยมโถอย่าเพิ่งกลับนะท่านสั่งนางโถจ้ะ อีชั้นขอนั่งฟังด้วยอีกคนนึงแล้วการสอบอารมณ์ก็เริ่มขึ้นผลปรากฏออกมาว่านางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยสักนิดดังที่นางออกตัวไว้พระเจริญรู้สึกแปลกใจจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อสอบหาสาเหตุแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้ทราบว่าสาเหตุที่นางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะกรรมที่เคยทาไว้กับสามี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 ต้องทำพิธีแก้กรรมเสียก่อนโยมจะทำหรือเปล่าล่ะอีชันทำกรรมอะไรไว้หรือจ้าท่านสมภารยังจะมาถามอีกก็โยมเป็นต้นเหตุทำให้กำนันเขียวตายใช่ไหมล่ะไหนบอกมาสิว่าโยมไปทำอะไรแก่เข้าอย่ากโกหกนะไม่งั้น อาตมาไม่ช่วยนะท่านขู่ไกลๆอีฉันเออถีบเขาตกบันไดจ้ะเขาก็เริ่มป่วยมาตั้งแต่บัดนั้นต่อมาอีกสามเดือนก็ตายจ้ะนี่อีชันจะตกนรกหรือเปล่าจ้ะท่านสมภาร น, นางแต้มถามนึกถึงความผิดที่เคยทำไว้นางถึงกับน้ำตาร่วง เรื่องตกนรกหรือไม่นั้นอาตมายังตอบไม่ได้เพราะยังเป็นเรื่องไกลตัวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนดีกว่าถ้าโยมอยากปฏิบัติทำให้ก้าวหน้าต้องขอขมากำนันเขียวซะก่อนไม่งั้นปฏิบัติอีกร้อยปีก็ไม่ถึงไหนท่านสัมพานจะให้ขอขมาที่ไหนละจ๊ะ ในเมื่อแกตายไปแล้วถามอย่างกังขาเอาเถอะอาตมาจัดการให้ได้ก็แล้วกันข้อสำคัญอยู่ที่ว่าโยมเจตนาจะขอขมาหรือเปล่าถ้าไม่คิดหรือไม่ตั้งใจจะขอขมาลาโทษอาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้คิดจ้ะ อฉันคิดอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วอาตมาจะจัดการให้แต่จะต้องนิมนต์พระมาสี่รูปรวมทั้งอาตมาด้วยโยมทำพิธีขอขมาโดยให้พระสงฆ์สี่รูปร่วมเป็นสักขีพยานทำไมต้องสี่รูปด้วยล่ะอิฉันอาย ขอเป็นท่านสมพานรูปเดียวไม่ได้หรือไม่ได้หรอกต้องให้ครบองค์สงรูปเดียวจะไปทำสังฆกรรมได้อย่างไรเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอธิบายงั้นขอเป็นห้ารูปได้ไหมจะ๊ะอีฉันเห็นว่าสี่รูปเหมือนกับทำงานศพใจคอมันไม่ค่อยดีนะจะ๊ะ นั่นแสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจญาติโยมมักพากันคิดว่าพระสงฆ์สี่รูปทำสังฆกรรมจะต้องเป็นงานศพอันที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นงานศพจะมีพระมากกว่าสี่รูปก็ได้เช่นเดียวกับที่งานมงคลจะมีพระสี่รูปก็ได้เหมือนกัน ฉันไม่เข้าใจจ้ะท่านสมพานช่วยอธิบายหน่อยเถอะนางโถอยากรู้แล้วทำไมเวลาสวดศพเขาใช้พระสี่รูปละจ้ะนางแต้มถามเพราะโยมที่เป็นเจ้าภาพเขากลัวจะต้องเสียเงินมากนะสิถ้านิมนต์มากก็ต้องถวายมากก็เลยนิมนต์เพียงสี่รูป เพราะครบองค์สงพอดีน้อยกว่านั้นไม่ครบองค์มากกว่านั้นก็เสียเงินมากคนก็เลยพากันเข้าใจผิดว่าถ้าสี่รูปเป็นงานอาวมงคลส่วนงานมงคลต้องเก้ารูปเพราะชื่อว่าเก้าหมายถึงเก้าหน้าอันที่จริงแล้วเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้น งานมงคลจะนิมนต์พระสี่รูปก็ได้เข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจจ้ะนางโถ ก, กับนางแต้มตอบพร้อมกันถ้าเช่นนั้นอีฉันขอนิมนต์พระห้ารูปได้ไหมจ๊ะยังไงยังไงอีฉันก็ยังติดอยู่ที่ว่าสี่รูปนั้นสวดศพนางแต้มตอรองได้แต่อีกหนึ่งรูป โยมต้องนิมนต์มาเองนะเพราะนอกพรรษาอย่างนี้วัดเรามีพระแค่สี่รูปถ้าอย่างนั้นเอาสี่รูปก็ได้จ้ะจะได้ไม่ยุ่งยากท่านจะทำพิธีให้อีฉันเมื่อไหรล่ละจ๊ะนางถามพรุ่งนี้เลยดีไหมโยมก็มาวัดแต่เช้าฉันเช้าแล้วก็เริ่มพิธีกันเลย อัฐิของกำนันเขียวโยมยังเก็บไว้หรือเปล่าเก็บจ้ะอีฉันเก็บใส่โกฎไว้อย่างดีเลยงั้นก็เอามาด้วยนะให้โยมนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเวลามาเข้ากรรมฐานนั่นแหละแล้วก็หาดอกไม้ทูบเทียนมาถวายพระสี่ชุดต้องปัจจัยด้วยหรือเปล่าจ้ะอันนี้ ต้องสุดแล้วแต่โยมอาตมาไม่ใช่พระรับจ้างจะได้เรียกโน้นเรียกนี่เพียงแต่จะช่วยโยมเท่านั้นแม่แต้มก็ใส่ซองมาถวายท่านตามศรัทธาก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้ไม่น่าถามนางโถตมิร์กลายจ้าจ้อิฉันขอโทษท่านสมภารด้วยก็แล้วกันเป็นอันว่าพรุ่งนี้อิฉันจะมาแต่เช้า แม่โทรมาด้วยนะนางหาเพื่อนฉันต้องมาอยู่แล้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงดีนะที่มาขอขมาลาโทษกันเสียแม่แต้มจะได้ปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าปะเหมาะเคราะหดีจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันทุกข์เลือกเกินนะท่านสมพานนางพูดเชิงปรับทุกข์อาตมาอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันว่า ชาติหน้าขออย่าได้มาเกิดในโลกมนุษย์อีกมีเวรมีกรรมกับใครก็จะก้มหน้าก้มตาใช้ให้หมดหมดไปเสียจะไม่ขอเกิดอีกแล้วพร ะ, ะเจริญปรับทุกข์บ้างสาธุขอให้ท่านได้สมความปรารถนาเถอะนางโถยกมือขึ้นสาธุ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 รวมทั้งนางโถผู้ซึ่งก่อนกลับได้ฝากฝังเพื่อนไว้กับแม่ชีก้อนทองเพราะรู้ว่านางแต้มคงไม่กล้ากลับบ้านในเวลามืดมืดค่ำๆเพราะไหนจะกลัวงูงเงี้ยวเคี้ยวขอไหนจะกลัวพวกมิจฉาชีพที่คอยดักจี้ผู้คนได้ซับเิ่งเล็กน้อยก็ขอให้ได้ทำตามวิสัยคนใจบาปหยาบช้า ออกจากผลสมบัติแล้วนางแต้มจึงแผเ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้กำนันเขียวสามีผู้ล่วงลับนางรู้สึกแช่มชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกกิเลสตัณหาที่ร้อยรัดจิตใจมาหลายพบหลายชาติถูกทำลายไปหนึ่งในสี่ส่วนอีกสามส่วนที่เหลือนางตั้งใจว่าจะเพียรพยายามกำจัดมันออกไปให้หมดสิ้นถึงอย่างไร ก็จะเวียน่หวตายเกิดในสงสารสาคนี้อีกไม่เกินเจ็ดชาติวันพระถัดมาแม่ชีไวกลางคนพร้อมด้วยเพื่อนชีอีกสามคนได้เดินทางมาที่วัดป่ามะม่วงครั้นพากันกราบเจ้าอาวาสแล้วคนที่เป็นหัวหน้าก็แนะนำตัวเองว่าฉันชื่อเจียนจ่ะมาจากวัดบ้านใต้ ฉันกับเพื่อนทีอีกสามคนจะมาขออาศัยอยู่ที่วัดป่ามะม่วงจ่ะเห็นว่าวัดนี้เป็นสํานักวิปัสสนาฉันอยากมาปฏิบัติแล้วก็อยากมาช่วยดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารที่วัดบ้านใต้เขาไม่มีการปฏิบัติกันห ร, อหรือพระเจริญถามไม่มีจ่ะที่วัดมีพระจําพรรษาอยู่25้ารูป ชี่สิบรูปแต่ไม่มีการสอนวิปัสสนาแม่ชีเจียนตอบแล้วทำอะไรกันบ้างละ่ะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรจ้นั่งนั่งนอนนอ น, น, อนไปวันวันท่านเลยเบือ่ออยากจะทำประโยชน์บ้างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก็เลยคิดอยากจะมาอยู่วัดนี้จะ้ะ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 ฉันว่าครับที่ก็ยังดีกว่าครับใจจะ่ะเพื่อนชีคนหนึ่งตอบอยู่ที่นั่นมันคับอกคับใจอย่างไรหรือท่านถามชีรูปนั้นตั้งท่าจะเล่าแต่ถูกแม่ชีเจียนขยิบตาเข้าใส่จริงต้องนิ่งไม่มีอะไรหรอกจะ้ะอยู่กับคนหมู่มากก็ต้องมีเรื่องคับอกคับใจบ้างเป็นธรรมดา เพราะต่างจิตต่างใจกันขนาดตัวเราใจเราบางครั้งก็ยังขัดแย้งในตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะฉันต้องขอกราบขอบพระคุณที่ท่านสมพานเมตตาพวกฉันจะขอลาไปขนสัมภาระก่อนจะขอเข้ามาอยู่วันนี้เลยแล้วสมพานวัดนั้นท่านว่าอย่างไรละ่ะบอกลาท่านหรือยัง ยังเลยจ้ะฉันคิดว่าจะกราบเรียนท่านต่อเมื่อได้ที่อยู่ใหม่แล้วประเดี๋ยวจะไปกราบเรียนให้ท่านทราบแล้วก็จะลาท่านด้วยพวกอีฉันขอตัวก่อนละจ่ะต้องไปเก็บข้าวเก็บของเองมากไหมละ่ะข้าวของที่ว่าน่ะต้องใช้เกวียนกี่เล่มถึงจะบรรทุกหมดพระเจริญยาวไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ่ะ จ่างเขาพายเรือมาส่งบรรทุกข่าวของลำหนึ่งบรนทุกคนลำหนึ่งไม่ต้องใช้เกวียนจ่ะแม่ชีตอบชีสี่รูปลุกออกไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับญาติโยมว่าดีเหมือนกันจะได้มีคนมาช่วยดูแลวัดต่อไปถ้าคนมาเข้ากรรมาฐานกันมากๆ ก, ก, ก็ต้องมีโรงครัว จะได้มีแม่ชีกลุ่มนี้ไว้ช่วยงานลำพังแม่ชีก้อนทองนั้นทำไม่ได้หรอกเพราะอายุ90สแล้วให้แกสวดมนต์กับเทวดาไปก็แล้วกันสมพานพูดยิ้มยิ้ม